วิชาเป็นปัจจัยไปสู่สังขารเนี่ยแล้วก็ค่อยถึงผัสสะแล้จากผัสสะนี่ก็เป็นจุดที่นำไปสู่เวทนาตันหาอุปท า, านพบชาติชรามรณะทุกทมนัดเนียแต่พูดให้มันง่ายๆคือว่าความทุกขของคนเราไม่ว่าที่กายหรือที่ใจมันก็มีจุดเริ่มต้นมาจากผัสสะ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 แล้วก็มีสิ่งมาสัมผัสกายรินได้รับรสอันนี้รวมไปถึงการคิดด้วยนะเมื่อใจคิดนึกอะไรก็ตามใชเมื่อใจเราคิดนึกถึงคนที่เขากันแกล้งเรานินทาเราต่อว่าด่าทอเราก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นให้การที่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 ที่จริงวิธีนี้ก็พระพุทธเจ้าก็ก็ตรัดก็สอนนะว่าว่าการบรรเท่าทุกข์หรือว่าการละอาสวะเนี่ยก็ละได้ด้วยการละละเวน้นเราเว้น่างไกลสิ่งที่ทําให้เกิดความทุกข์หรือว่าละเว้นด้วยการเสพละความทุกข์ด้วยการเสพเช่นหิวก็กินอาหาร ป่วยก็กินยาหรือว่าป้องกันอันตรายจากดินลมแดดสัตว์เลือล้อยคลานก็มีเสนาสนะที่มิชิตเป็นต้น <c oughs> อันนี้ไปรวมถึงการคลุกคลีด้วยนะอย่างที่พูะเจ้าได้ สอนผ่านนท์ผ่านนท์ถามว่าจะทําอย่างไรจะมีท่าทีอย่างไรจะปฏิบัติตัวอย่างไรกับสตรีผู้เจ้าก็แนะนําว่าก็อย่ามองถ้าจะไปจะต้องมองก็อย่าพูดคุยแต่ว่าถ้าจะพูดคุยด้วยก็ต้องให้มีสติให้อย่ามองอย่าพูดคุยเนื่อคือการหลีกเลี่ยงผัสสะที่นําไปสู่ความทุกข์ใจ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 อาการที่พระเจ้าแนะนำให้พระเรารู้จักหาเสนาส น, นะรวมทั้งจีวรบิณฑบาตย่ารักษาโลกหรือปัจจัยสีเนี่ยก็เพื่อให้ได้รับผัสสะที่มันนำไปสู่ความสุขสบายแต่ก็อย่าสบายมากเกินไปนะก็ต้องมีการพิจารณาว่า เสพปัจจัยสเพื่ออะไรก็เพื่อให้ร่างกายอยู่ได้เพื่อไม่เพื่อบำบัดความทุกข์อันเก่าแล้วก็ไม่สร้างความทุกข์ใหม่ให้เกิดขึ้นเป็นต้นวิธีนี้พวกเราก็ใช้กันดีกันอยู่แล้วนะการพยายามควบคุมไม่ให้เกิดผละที่มาบีบคั้นกายและใจหรือไม่ก็พยายามหลีกนี้ ห่างไกลจากสิ่งนั้นแต่ว่าวิธีนี้มันก็ยังไม่พอนะเพราะว่าไม่ว่าเราจะหลีกจะห น, นียังไงก็ต้องเจอผัสสะที่ชวนให้ขัดใจหรือ ผ, ผัสสะที่ไม่พึงปรารถนาเช่นต้องมาเจอรูปรสกินเสียงที่ไม่น่ายินดี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 ไอกระบวนการก่อนทุกมั น, ม, นมันไม่ครบถ้วนสมบูรณ์มันไปยุติที่เวทนามันไม่ต่อเป็นตันหาอุปทานพบชาติชรามรณะหรือว่าเวลาบางคนเนี่ยเวลาเจอสิ่งที่น่าพอใจที่มันให้ความสุขหรือสุขเวทนา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 ก็คือว่าได้เท่าไหร่ก็ไม่พอใจมันก็ทุกข์เหมือนกันนะไม่ใช่ไปต้องเกิดผัสสะที่เป็นลบเสมอไปแม้จะได้ผัสสะที่เป็นบวกอยที่เขาเรียกว่าอิทธารมแต่ถ้าเกิดว่ามันมีตัณหาอยากได้มากกว่านี้นะก็ทุกข์ได้เหมือนกันให้ตัวปรุงแต่งในใจเนี่ยนะเป็น เป็นตัวสำคัญนะที่ทำให้ถูกใจไม้จะเจอแดดรอดนอากาศหนาวเจอความเจ็บป่วยเจอของแหลมมามาทิ่มมาแทงมันก็ทุกแต่กายนะแต่ว่าใจไม่ทุกถ้าหากว่ามันไม่มีการปรุงแต่งหรือว่าใจเนี่ยวางวางใจไว้ได้ดี ไม่ต่อต้านไม่ผักใสหรือว่าไม่ไขว่คว้าแบบด้วยอาการที่ไม่รู้จักพอสักทีหรือว่าโลภะเนี่ยไอตรงเนี่ยเป็นเป็นตัวการสำคัญเลยนะว่าคนเราเนี่ยจะทุกข์ใจหรือไม่อยู่ที่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่ผัสสะนะถึงแม้ว่าผัสสะจะเป็นจุดเริ่มต้นแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นตัวการสำคัญไอตัวการสำคัญที่ทำให้ทุกข์ใจเนี่ยคือการปรุงแต่งหรือว่าท่าที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 มนบ่นบวยวายตีโพยตีพายมันมีความสึกขัด อ, อกขัดใจขึ้นมาตรง น, นี้เรียกรลวงๆว่ามันจิตมันปรุงแต่งขึ้นมาเป็นความกลัวเป็นความเกลียดเป็นความเศร้าความความขับแค้นมันเป็นการปรุงแต่งเพราะว่าถ้าว่าเรามีสติเรามีความสึกตัว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 มีสติปุ้บเนี่ยความกลัวก็หายทำไมมันหายก็เพราะว่ า, อาตอนตอนนั้นไม่มีสติมันไม่มีความรู้สึกตัวก็เลยปรุงแต่งอะไรต่อในสารพัดเรื่องอ่ะคือมีความหลงเมื่อหลงก็ทําให้ปรุงแต่งปรุงแต่งไปในทางอกุศลก็ทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมานะถ้าเรามีสติอยู่กับปัจจุบันเราก็ไม่เผื่อคิดถึง เรื่องราวเจ็บปวดแนดดีดไม่คิดถึงคนที่ต่อว่าดาทอเราไม่คิดถึงคําพูดที่เสียดแทงใจเราก็รู้ใช่ไหมคิดทีไรนี่ก็ทุกทุกทีแต่ทํำไมถึงคิดทําไมถึงทําร้ายตัวเองทําร้ายจิตใจตัวเองก็เพราะตอนนั้นเนี่ยมันหลงไงใจไม่อยู่กับปัจจุบัน ให้ความมีสติความรู้สึกตัวนี่สําคัญมากนะที่พุทธเจในหนังพระอนนุ์ว่าเนี่ยอถ้าอ่ถ้าทีในการปฏิบัติกับสตรีก็คือไม่มองหรือถ้ามองจําเป็นต้องมองก็อย่าคุยและถ้าจําเป็นต้องคุยก็ต้องให้มีสติมืออินเสียสังวร อันนี้แหละนะก็เป็นวิธีการนะหมายความว่าก็กลับมาดูใจของเราอินเซียสังวรเนะี่ยมันแปลงง่ายๆความสำรวจอินทรียแต่ไม่ได้หมายถึงการไปควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจนะแต่หมายความว่าการรักษาใจนะไม่ให้อกุสนครอบงำ หรือไม่ให้เป็นทุกข์เมื่อเกิดผัสสะขึ้นมามันเป็นการมาจัดการที่ใจจัดการอย่างไรก็คือมีสติ <Yeah. S 1> เมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงหรือได้รับรสหรือว่าใจคิดนึกเนี่ยก็เอามีสติซะเมื่อมีสติจิตก็จะกลัเป็นปกติอันนี้เรียกว่าอินเียสังวรนะ ถ้าเราไม่มีสติเนี่ยนะพอเกิดภาษาขึ้นมานะมันก็ความทุกข์ก็ตามมาทันทีนะแต่ถ้าเรามีสตินะพอตายให้รูปปุ๊บเนี่ยสติก็มาทันมารับรู้ว่ามีอารมณ์ใดเกิดขึ้นที่ใจก็สติเหมือนตาไนนะที่ทําให้เราได้เห็น อารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรวมทั้งความคิดนึกด้วยที่ไม่ได้ตั้งใจคิดนะที่เพอปรุงแต่งขึ้นมามันจะมีสองอย่างเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะคือเมื่อตาเห็นรูปนะก็เกิดเวทนาและอารมณ์ปรุงแต่งขึ้นมาทันทีเราเรียกว่าตัณหาอุปท า, าน แ่คนส่วนใหญ่เนี่ยพอตายเห็นรูปนะก็รับรู้แต่รูปแต่ว่าไม่เห็นไม่ไวพอที่จะไปเห็นอาการของใจที่เป็นปฏิกิริยาหรือเกิดขึ้นตามมาอันนี้ความแตกต่างระหว่างนักปฏิบัติธรรมกับอคนที่ไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนี้นะคนที่ไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมตายเห็นรูปนะก็เห็นแต่รูป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 ความดีใจหรือความเสียใจที่เกิดขึ้นข้างในด้วยนะเห็นทั้งในและนอกนะคนทั่วไปนี่เห็นแต่ในเอเห็นแต่นอกเห็นแต่รูปได้ยินแต่เสียงหรือว่าอารับรู้สัมผัสที่เกิดขึ้นกับกายแต่ว่าในใจนี่ไม่เห็นเลย <c oughs> ทั้งๆ ท, ที่ก็มีสติทุกคนนะแต่ว่าสติ ที่มีที่คนสยามมีมันเหมือนกับตาในที่บอดนะหรือไม่ค่อยได้ใช้งานนักปฏิบัติธรรมเนี่ยเมื่อตาเห็นรูปนะสติก็เห็นใจว่ามันคิดมันนึกมันปรุงแต่งอย่างไรมันชอบมันชังหูดินเสียงนะสติก็เห็นนะความดีใจความเสียใจเวลาเท้าเหยียบพื้นเหยียบกรวดเหยียบหิน นะสติก็เห็นความไม่พอใจที่เกิดขึ้นไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยมันมันเป็นตัวการที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าเรามีสติไม่ปล่อยให้มันปรุงแต่งนะจนนําไปสู่ความทุกข์นะใจก็เป็นปกติได้แม้กายจะเจ็บนะแม้เท้าจะจะเจ็บนะแต่ว่าใจก็เป็นปกติ เพราะว่ามันไม่มีการปรุงแต่งนะจนกระทั่งทําให้เกิดความทุกข์ใจไม่มีการต่อต้านผักสายไม่มีการบ่นตีโพยตีพายโอดโอยนะหรือถึงมีก็รู้ฐานรู้แล้วก็วางไอ้ที่ไม่วางที่ยึดเอาไว้ก็เพราะความไม่รู้ความหลงนะมันหลงปรุงแล้วก็หลงยึดนะในสิ่ง ที่ปรุงขึ้นมาอันนี้เพราะหลงทั้งนั้นเพราะไม่มีความสึกตัวแต่พอ ม, มีความสึกตัวหรือเรามีสติรู้ทันนะเห็นอาการของใจที่มันปรุงแล้วก็มันมีความยึดนะพอ ร, รู้นั้นก็วางอันนี้เป็นวิธีที่ช่วยบรรเทาทุกข์หรือว่าป้องกันทุกข์ใจได้ถึงแม้ว่ายัางต้องเกี่ยวข้องกับผัสสะ ที่ไม่น่ายินดีนะแต่ภาษาเหล่านี้มันไม่สิ่งเหล่านี้ไม่จะเป็นตารูปรสกลิ่นเสียงนี่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทาให้ขัดใจนะอย่างมากก็เป็นสิ่งที่ชวนให้ขัดใจชวนให้ไม่พอใจมาชวนให้เราไม่พอใจอยู่ที่ว่าเราจะรับคําชวนไหมถ้าเรารับคําชวนเราก็ไม่พอใจ เขามาชวนให้ทุกเราลักคำชวนไหมถ้าเรารับคําชวนหรือใจเรารับคําชวนก็ทุกข์นะแต่ตัวบันเองนี่ยังไม่ทําให้ทุกข์นะอย่างมากก็ทําให้ทุกข์กายนะไม่ทําให้ทุกข์ใจบางอย่างไม่ทําให้ทุกข์กายแนตะ่แต่ว่าถ้าไปรับคําชวนก็ทุกข์ใจเลย เ, เช่นไปเห็นอไปเห็นขยะปฏิกูลเห็นอุจจาระปโสวะเนี่ย หรือว่าไปได้ยินคําต่อว่าด่าทอไอ้คนี้ไม่ทําให้ทุกข์กายนะแต่ว่ามันทําให้ทุกข์ใจได้ถ้าเผลอไปรับคําชวนนะวิธีนี้เป็นวิธีที่ช่วยป้องกันทุกข์ระ ง, งับทุกขนะ์ในใจได้ดีกว่าการไปหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผัดสับนะเพราะว่าหลีกเลี่ยงยังไงก็ ที่ไม่พ้นอย่างเช่นคํานินทาเนี่ย อ, อผู้คนก็ไม่ชอบคําดินทานไม่ชอบคําต่อว่าแต่หลีกหนีเท่าไหร่ก็ไม่มีทางหลีกหนีพน้นไม่ว่าจะมีอํานาจแค่ไหนนะมีอำนาจจะมีสามารถจับกุมคุมขังผู้คนได้ก็ยังห้ามเสียงดินทานไม่ได้ รัฐบาลอย่างเช่นเกาหลีเหนือนี่มีอำนาจมากนะมีอำนาจควบคุมผู้คนทุกอย่างใครวิ จ, จารณ์ก็ไม่ได้แต่ทำยังไงยังไงคนก็ยังวิ จ, จารณ์เพียงแต่เขาวิจารณ์เบาๆไม่ให้ได้ยินหรือว่าเขาก็วิจารณ์กันเองเท่านั้นเอง <c oughs> แต่ก็ยังได้ยินนะจากในหมู่คนใกล้ชิดนะ แล้วก็ต้องเกิดอาการระบาดระแวงนะใครที่วิจารก็จับเขาเข้าคุกบางทีก็ประหารชีวิตนะอันนี้เกิดเป็นข่าวบ่อยๆนะในประเทศเกาหลีเหนือหรือว่าประเทศประดิษการทั้งหลายอันนี้เขาก็พยายามที่จะระงับไม่ให้มีการวิจาร์แต่ก็ทำไม่ได้สิ่งที่ควรทำมากกว่าคือว่า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 มีทุกขเวทนาด้วยนั่นจะเอาแต่นี้เวทนาเอาแต่พึ่งยาระงับทุกขเวทนาระงับความเจ็บความปวดอย่างเดียวไม่พอนะอะมันต้องอาศัยวิธีการรักษาใจด้วยให้สตินี่แหละนะเป็นเครื่องรักษาใจที่ทําให้ความทุกขเข้ามาเล่นงานบีบคั้นทิมแทงใจไม่ได้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 สมัยพุรธกาลนี้ไม่รู้จักเทฟลอนนะแต่ว่าก็นึกถึงใบบัวนะดอกบัวดอกบัวใบบัวที่น้ํามันก็ไม่ติดฉาบก็ไม่ไม่ไม่เปียกนะเพราะว่ามีธรรมะเป็นเครื่องรักษาโดยเพราะสติและปัญญาเมื่อมีสติและปัญญาแล้วเนี้ยกิเลสก็ไม่ไม่ติดความทุกข์ก็ไม่เกาะ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 ศักตะวาได้ยินศักตะวาเห็นแต่คนธรรมดาเนี่ยอาการสภาวะจิตเหมือนกับว่าเอาดินเหนียวขว้างไปที่ข้างฝาแล้วมันติดเลยนะคําพูดคําตอบว่าดาทอตำหนิติดเตียนพอกระทบหูนี่มันติดหูเลยมันติดหูติดใจไปเลยหรือคําลูกก็เหมือนกันลูกรูกผ <c oughs> ู้หญิงสวยๆงามๆแต่งตัววับวับ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 คือไม่ได้เห็นสิ่งที่เยื่โ ย, ยวนกิเลสแต่เห็นว่าเนี่ยคือบ่วงของมารที่ทำให้ติดข้องอยู่ในความทุกข์ในวัฏสงสารท่านเห็นโทษนะของภาพที่เห็นจิตของท่านก็หลุดพ้นเลยจิตของท่านหลุดพ้นเป็นพระอาหารหันต์เลยไม่ได้พอเห็นปฏิกูลไม่ได้เห็นศพแต่ว่าเห็นหญิงสาวที่สวยงามซึ่งสาะคนทั่วไปมันทให้เกิดราคะ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 แต่ว่าจิตก็ไม่เกิดราคะด้วยนะกับเกิดวิราคานะนั้นรูปที่เห็นเนี่ยเสียงที่ได้ยินเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าจะทําให้เกิดราคะขึ้นมาทีเดียวผู้แดกมากคือมันชวนให้เกิดราคานะแต่ว่าจิตจะรับคําชวนหรือไม่จิตของท่านนักสมาธนี่ท่านไม่รับคําชวนนะแต่ท่านมองเห็นอีกแง่หนึ่งแทนที่จะเกิดราคะเกิดวิราคะขึ้นมา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 ฉะันเนี่ยที่หลวงพ่อธนพูว่นเนี่ยดูกายเห็นจิต ด, ดูคิดเห็นธรรมเนี่ยคือความหมายนี่แหละาชาตินี้ก็เพิ่กันเท่านี้นะกราบครับ